ศาสตร์จีนก็กจีนศาสตร้องศาจีนนะนะแต่ตามประเพณีเขานักจีนทั้งหลายเขากลัวว่าหนึ่งวันตุ่จีนก็ดีเลยศาจีนก็ดีเขามากโดยมากเอาก็ส่วนใหญ่จริงจริโดยมากเขาไหว้ผีไหว้เท ว, วดาไหว้ปู่ย่าตายายการกระทำอย่างนี้บรรดาการพุทธวิเศษหลายไม่ใช่ความชั่ว จะไปเรียกว่าเจ๊กต้องฆ่าตัดเจ๊กต้องฆ่าหมูต้องฆ่าเป็ดต้องฆ่าไก่ให้ตายไปแล้วมาไหว้เจ้ า, จาสือผีจะไม่มีอนันหสองแต่ความจริงอัหนงสองเขา ม, ม, ขา ม, มขาีท่านี้เพราะอะไรเพราะว่าเขา ม, มีความเคารพในความกตัญญูตะเวทีจะบุพการีที่ตายไปแล้วตามีองคมม์สมเด็จพระพุทธเจ้าสมเด็จพระพุทธพาสิกวานิมิตองสารูประการนังกตัญญูตะเวทิตา บุคคลใดที่มีความกระตัอยู่รู้ภูการคุณที่จนทําแล้วแล้วตอบสนองคุณท่านสถาก็กล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นคนดีเป็นไม่ใช่งานะแต่ว่าเวลานี้บรรดาจีนทั้งหลายเขาก็ไม่ต้องฆ่าเป็นคนฆ่าแทน uh huh. ไอ้คนฆ่าแทนก็บาปไปนคนเดียวคนซื้อมาไม่ต้องบาปก็ไาะมันขี้ฆ่าฆ่าไปขี้ว่าฉันเอาตัวนี้จะเอาตัวนี้นเาขาฆ่าต า, ามนั้นเราบาป ถ้าเขาทําตายแล้วเราไปชื่อเราไม่บาปเวลานี้เจ๊กก็ไม่บาปตอนนี้นการที่เจ็กเวลานี้ไม่ต้องบาปแล้วการฆ่าไก่ฆ่าหมูในการแสดงความกตัญญูก็มีผลสมบุนแบบคนที่มีความกตัญญูรู้คุณแเมียทสูงมากตามที่องค์งเด็จพระพุทมีพระพ า, ากเจ้าสมบัตไว้ในพระธรรมบทจะฟังไม่ยิงห่าห่าดังนั้นบาปอยู่กับคนทําทำอยู่กับคนกินนะครับ เป็น <S <S มีอะไม่เราไม่ได้กินเราไม่ได้กรรมเรากินใช่ไหม <S <S ถ้าถ้ากรกรมไว้มันก็ถ้ากรรมไว้ก็ไม่ได้กินถ้า ก, กินแล้วไม่ต้องกรรมก็รู้ามว่าคนกินไม่บาปพราะว่าถ้ากินคนเจ๊กก็ไม่บาปพระกินเขาก็ร่ำว่าจะให้ก็ไม่บาปก็ไปร่ำว่าคําว่าบาปเป็นเะรื <S 2> <S 2> <S 2> ่องของบาปบุญก็เป็นเรื่องของบุญ ไม่คนละบัญชีกันคนทําบาปก็ลงบัญชีไว้เล่มหนึ่งคนทาบุญเข้าบัญชีไว้เล่มหนึ่งเวลาที่ตายไปแล้วก็รับผลนักธรรมการถ้าบาปไปอบจะกลุ่ถ้าบุญไปสวรรค์ถ้าบังเอิญก่อนที่เรจะตายเราเลื่อนบุญก่อนบา ป, าปว่ากเท่ากับตามทีไม่สามารถจะ น, ำนํำเราลงนรกได้ไปสวรรค์ก่อนแต่ถ้าหมดบุญสวรรค์ก็คงเหลาลงนรกไป แต่เรามีหลายท่านในการที่ทำบาปไปมากมากแล้วตายแล้วไปสว่างไก่อนบังเ อ, อิญไปพบองค์สมเด็จพระจินยวรังคืองพระเจ้าเข้าหรือว่าพระบรมรหนเข้าฟังเทศเข้าเดียบเป็นพรโสดาบันบาปทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะให้โอกาสหมดหมดสิทธิ์มีแต่เกิดเป็ น, ปนบนสวรรค์บ้างเป็นพรหมบ้างไม่ปฏิพภาณเลยก็มี พอยกตัวอย่างความกตัญญูรู้คุณกตัญญูทีตัวนี้มาแสดงกับบรรดาในพระตวาริษัตย์เาหรักสินสนรับแล้วทานถวายในมรรคในสงแล้วนะก็ยกตัวอย่างคนที่มีความกตัญญูรู้คุณกับบรรพ่อที่ตายไปแล้วกับแม่ที่มีชีวิตอยู่แล้วก็วอมคันกุศลในศาสนาของพระเด่นพระบรมโกศคือพระประสงค์ในวัตธศสาสนา ตายไปแล้วมีเป็นเทวดามีน้ำภาพมากตัวอย่างองก็สเด็จพระพูทมีพระภาพเจ้าแสดงยมุคปฏิหารเวลานั้นองค์สมเด็จพระทิตจัมมานโรสซาสดาแสดงยมกคปฏิหารที่เมืองพาราณสีหลังจากนั้นแล้วองค์สมเด็จพรมหาโมนีก็ขึ้นไปยอดเขาคือยอดก้าขึ้นไปยอดเขายอดเขาโกคันทร หลังจากนั้นองค์ณเร็วจิตจังวัก้าวอีกทีไปสู่ยอดสวท่านเอ่อยอดวยวพวกเขาพ่อเทวเมินพระเจ้าดาวดึดงจำไม่ดีนะเมื่อขึ้นไปถึงแล้วพระองค์เอสมเด็จตัวองคุเด็พระอินท่านแทบว่าองคุณเด็ดสมาทิแก้วขึ้นไปที่ได้ก็ออกมาต้อนรับพระอินเนี่ยตัวท่านเล็กนิดเดียวนะสูงสามสิบโย ใช่ไหมแล้วพระพุทธเจ้าของเราสูงแปดต่อจริงอ่ะเจ้คนใดไหมพระอินร์าระธนาองค์เขาเด็กพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอร้องพรเด็กพระทับนมดูกับพงศิราอ่านอันเป็นท่านที่ประทับของพระอินท่์พระพุทธเจ้าก็ทรงพเด็กเข้าไปใกล้พระท่านมาดูกับพงศิราอ่านพระอิน์ก็นึกในใจว่าองค์เขาเด็กพระจอมใจพระมราสดาเป็นมนุษย์ กุ dad, 30. 30. ้งแค่แปดสอบกุมนุษย์แต่ว่าพระท่านศิริมลบรรดุกระพงศิราอานนี่ยาวท่สามสิบโยชน์ก็ยาวหกสิบโยชน์กว้างสามสิบโยชน์สูงสิบห้าโยชน์พระเจ้าองค์แค่แปดสอกถ้านั่งลงบรรดุกระพงศิราอานก็จะเหมือนกับแมลงตัวเล็กๆเกาะบนบนเตียงพอพไปอิงคิดเท่านี้พระเจ้าเรื่องสังฆติโยนพับไปคลุมบรรดุกระพงศิราอ่านพอดี แล้วสมเด็จพระจินารีก็ทงรงประทับนัง่งบนบัก์รมสีราอัตพอดิบพอดีคล้ายพระอินนั่งตอนนั้นพระอิน ก, ก็สงสัยว่าเมื่อกี้นี้ตัวเล็กเวลานี้ทำไมตัวใหญ่ยัยยงถามองค์สมเด็จพระจอมใจบนบรมสักดาว่าพัน์เตยพระกวากระโดดสมเด็จพระพุพพ้มีพระภาคเจ้าพระเจริญเมื่อกี้นี้ขึ้นมาตัวแค่แปสอกของมนุษย์แต่ว่าเวลานี้พระพอิพดีก็บนบัลลก์มศีาอต สมเด็จพระรามหลวงก็น right? mm ่ากล่าวว่าผู้อัวประมาณเราคำว่าเขาผู้ไเจ้าหาประมาณไม่ได้ใหญ่เท่าไรก็ได้ใหญ่เท่าไรก็ได้เห็นไมเจงาอใช่ไหมท่านท่านพอดีในระหว่างนั้นก็ปรากฏว่าไอยิก็ถามว่าองค์สมเด็จพระจิณณสีหก็ดมาเพอประโยชน์อะไรสนเด้ประจอมใจก็มีผู้ติการที่ว่าเทวค้าแต่ะมหาราช าคาถาขุดมาคราวนี้ต้องการจะมาสนองคุณมารดาที่ตายมาแล้วจึานี่ท่าดูสิเขาพระองค์จงไปตามมาด้วยเสดอันตราจาัมเทศเตสนองคุณมารดาพระอิน์ก็ไปมันหลังจากอินทร์ไปแล้วก็มีเจวดาสองค์เข้ามาใกล้องค์หนึ่งที่อินทกาเทพบุตรมันนั่งข้างพระบาทข้างขวาของพระเจ้าอีออีองหนึ่งมีนามอาอากุระเทบุตรมันนั่งข้างพระบาทข้างซ้ายขอ ง, ของพระเจ้า แต่ว่าในเมื่อเทวดาอื่นมาอังกุ拉ก็ถอยไปหน่อยหนึ่งเทวดาอื่นมาอีกอังกุ拉ก็ถอยไปหน่อยหนึ่งในเมื่อเทวดาทั้งหมดนางฟ้าทั้งหมดมาทั่วดาวดึงอังกุล拉เทวดาก็ถอยอยู่หลังสุดแต่ว่าอินทรกะนั่งหยุดตรงที่เดิมไม่ถอยไปไหนองค์สมเด็จพระจอมไตรปิฎกศาสดามีความประสงค์ว่าต้องคันให้คนข้างล่างทุกคนที่เป็นองค์คณะโยบริหารเนี่ยเขาเขาขึ้นไปดาวดึง การกดบันดาบประชาชนมาดูเยาวกบฏิหารหลายโกดด้วยกันเมื่อเห็นว่าองค์สมเด็จพระสงทันไปหายไปเขาขก็กาศว่าถ้าพระเจ้าไม่กลับเพียงใดเราก็ไม่กลับบ้านเช่นนั้นเป็นนั้นว่าชาติหนักก็ตกอยู่กับพระเจ้าประเทศษที่โกวสต้องเลี้ยงคนเป็นโกธใช่ไหมน้อยไหมไอคนเี่โกดในวันต้องเสียข้าข้าวค่าแจงเท่าไหรต้องนับคนดูกดีคดีกันเลยกันนะ แล้วมุกกาลาพยายามที่จบอกบอกกุลาบุกถามบอกกุลาบุกว่าเธอจะไปถามพระเจ้าว่าจะกลับเมื่อไรพรอมุกกาลก็ห่ขึ้นไปไปถามพระเจ้าว่าจะกลับลงเมื่อไหร่พระเจ้าบอกว่าต่างเขาจะจำพรรษาที่นี่จะเทศอภิธรนจะจะพีสลองคุณระมานดาแต่ว่าเวลาจะลงจะลงที่ตัวตัวเมืองสังขลตนะครพมุกกาลก็มาประกาศให้คนายจนทราบ เมื่อวิชาจนสร้สางวิจาชนก็บอกว่าเราก็ไม่กลับบ้านเหมือนกันถ้าพระพุทธเจ้ายังไม่มาเพียงใดพวกเราก็ไม่กลับบ้านเพียนั้นเพราะว่าจะอยู่สบายนะไม่ต้องทำาให้กินนะเ oh. าเลี้ยง ร, ราชาแย่หน่อยน ะ, oh. ร, ะราชายมหาเศรษฐีแย่หน่อย oh. ตอนนั้นในเมื่อคนข้างล่างนั่งกันเต็มคอยพระพุทธเจ้าและเทวดาดางค้าก็มาเต็มบรรดากับคนที่ไดอ่าน องสมเด็จพระบรมราชกุมารีมีความประสงค์ต้องการให้เทวดากับคนข้างล่างทราบถึงอานิสงส์จากการทำบุญในพุทธศาสนากับนอกพุทธศาสนาว่ามีอานิส์ต่างกันจึงโดนบรรดาลให้เสียงเข้าระองค์โกดีเสียงเทวดานี้โกดีได้ยินมาถึงคนข้างล่างทั้งหมดและองค์สมเด็จพระบรมวงศ์ก็จะมีพุทธเจ้ากระตืว่าอังกุลเทพบุตร เมื่อตาถาคดมาถึงใหม่ๆเธอวันนั่งก้างเขาใกล้เขาไปเขาตายเขาตาถาคดแต่ว่าเวลานี้เทวดานางฟ้ามาหมดทั่ดาวดึงคือไปนั่งท้ายสุดอยากจะถามว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์เธอทำบุญอะไรไว้จึงเกิดมาเป็นเทวดาที่มีบุญน้อยที่สุดบนเส้นดาวดึง อังกุ拉เทพบอกศาสนาตว่าฟ er. so ันเตพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระพูทมีพระภากเจ้ากูเจริญประวัติย่อขาในสมัยที่ข้าพระเจ้าเป็นมนุษย์เวลานั้นคนมียุคแปดหมืนปีโอ้โหเจงาเอ้ยตั้งแปดหมื่นปีนะเป็นเด็กได้สองหมืนปีเป็นชายหนุ่มยญิงสาวได้สองหมืนปีเป็นคนวัยกลางคนได้สองหมืนปี เป็นคนแก่สองหมื่นปีแปดหมื่นปีด้วยกันแต่เราในสมัยนั้นไม่มีพระพุทธศาสนาข้าพเจ้าเป็นมหาเศรษฐีในสมัยมายามแก่สองหมืนปีก็ตั้งใจทาบุญตั้งโรงทานแปดสิบแหง่งหนึ่งโยต์ตั้งหนึ่งแห่งหนึ่งโยต์ตั้งหนึ่งแห่งเรียงคนแก่คนร่ำพระคนเดินทางคนยากจนทั้งหมด ใครต้องการข้าวได้ข้าวใครต้องการแกงได้แกงใครต้องการเครื่องหนึ่งผมได้เครื่องหนึ่งผต้องการเงินได้เงินแจกกันทั้งหมดใช้เวลาสองหมื่นปีแตกติดแผงแต่ว่าในสมัยนั้นไม่มีพุทธศาสนาคนไร้ศีลได้ธรรมโดยอาศัสงฆ์บังเป็นกุศลถึงแปดหมืนปีอย่างนี้แก่คนไร่ศีลไร้ธรรมเมื่อตายจากความเป็นคนเขามาเกิดบนเป็นเทวดาบนสวรรค์ขั้นดาวดือโลก เป็นเทวดาที่มีวุญน้อยที่สุดบนตัวฉันดวดึงเห็นไหมยังไม่ดีนะแล้วต่อมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดถามอินทกาที่หมดพอินทกะเมื่อาถาคตมาถึงใหม่ๆเตยก็นั่งตรงนี้เวลานี้มีเทวดามีนางฟ้ามาทั่วดาวดึงมาเต็มหมดแล้วเตยก็มาขยับที่นั่งที่เดิม จัดว่าเป็นเทวดาที่มีสภาพมากบุญบ <work> ุญมากของเทวดาทั้งหมดสถาคตอยากจะทราบว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์เธอทําบุญอะไรไว้ติดกับเทวดาที่มีสมภาพมากนี่จะกลายเป็กราบคุณองค์สมเด็จพระพู่มีพระภาเจ้าว่าฟันตีพระสวางข้าแต่องค์สมเด็จพระพูทมีพระภาคเจ้าผู้เจลยในสมัยที่ข้าพระเจ้าเป็นมนุษย์เป็นคนจน เป็นลูกชาวป่าแล้วเป็นคนจนเวลานั้นปลาของพ่อตายเหลือแต่แม่ตัดฟื้นได้เล็กน้อยก็ขายวันหนึ่งกินวันหนึ่งขายซื้อหามาได้วันหนึ่งก็กินวันหนึ่งได้เด็กน้อยนะขายคนเดียวนี่นะก็ะมาเลี้ยงแม่ให้มีความสุขกลางกำลังที่จะทาได้แต่ว่าวันหนึ่งบังเอิญพรสงฆ์ในศาสนาอ ง, องค์เขาได้ประจอมใจพระพุทธเจ้าเดินไปที่นั่นเจริญวสีองค์ เลยก็ไม่เตรียมหารไว้มันเป็นเวลาหารพอดีก็คิดว่าเรามีอย่างไหนแล้วก็เลี้ยงอย่างนั้นเท่าเท่าที่มีอยู่ยิงเดินเราไปหลังบ้านไปไปในมลเช้าก็องค์ทุนเดือดรุงกูเข้าไปฉันพระเขฉันแต่ว่าค่าฉันเวลานั้านเกยอสองค์ก็ถือเป็นสารทานแต่ว่าสารพันไม่ต้องว่าอะไรจะงานนะพระถวายเฉยๆเป็นสารพัน เมืออ่อพระฉันเสร็จก็มีโอกาสทําบุญครั้งนั้นเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายอาศัยที่หนึ่งถวายทายจากพระสงฆ์พระศาสนาไป็นสัญญาณหนึ่งครั้งแลในประการที่สองที่มีความกตัญญูรู้คุณบิดามารดาเลี้ยงแม่ให้มีความสุขตอนนี้เลี้ยงได้อาศัยบุญสถาการณ์นี้ใส่องค์คุณได้ไปจอมใส่พระพุทธศาสนาข้าพระเจ้ากเกิดมาเป็นเทวดาก็เป็นเทวดาที่บุญมีบุญมากกวา่าเทวดาทั้งหมดในพระเดวดีเห็นไหม นี่เป็นว่าเจ๊กเขาทำถูกเวลาตุดเวลาสายของเขาตีเขาไหว้พ่อไหว่แม่ไหว่ปู่ย่าไหว้ตา ย, ยายแสดงความกตัญญูรู้คุณอย่าบรนดาญาโย ม, ามเขาต้องใสก็เช่นเดียวกันทุกคนก็นมีความกตัญญูรู้คุณสวีดามารดาความมีความรับิดามารดาเมืเ่อเคารพท่านแล้วก็ปฏิบัติตามใจท่านเท่าที่ควรถว่าท่านประสงค์ผิดเราก็คาน ถ้าทา่านประสงค์ถูกรเราก็สลัดกำหนนี้ท่านร้อนหาความเิ็นมาให้ท่านหิวหาหายมาให้เป็นเช่นต้นถ้าป่วยไข้เราจะายตั้งใจรักษาแสดงว่าเป็นคนมีความกระดอนอยู่รู้ฝุ่นใช้ท่านบุญขมัรดาญาโยมพุทธบริษัทหลายโดยทุน나ที่มีความรู้คุณวิริยามัรดาก็จะเป็นเช่นเดียวกับอินทกาเทพบุตรแต่เวลานี้บรรดาได้พุทธบริษัททุกคนทําบุญในพุทธศาสนา แล้วก็ถวายสังฆทานเป็นปกติคําว่าสังฆทานในบรรดาในพระดวิสําธหลายจะถวายที่ไหนก็ได้จะว่านํำยาใจงาเขาได้จะไม่ว่าก็ได้ไม่เป็นไรคําว่าสังฆฆาตนี่แปลว่ามู่มันหมายความว่าถ้าบางอืญเราเดินไปที่ไหนเจอพระมาเป็นธรรมบัตรเราไม่จํากัดพระถ้าตังเรามีน้อยซื้อข้าวห่อหนึ่งแตงห่อหนึ่งใส่บาตร แม้แต่องค์ใดองค์หนึ่งก็เป็นสังาทานเพราะว่าไม่ได้จำกัดพระว่าจะเพาะพระองค์นี้ต้องฉันของเราถ้ากลับไปวัดแล้วต้องฉันรวมกันอันนี้เป็นสังาทานอันรงใหญ่เรียกว่าบังเอิญไปพบวัดใดวัดหนึ่งกําลังฉันพระตาหารเราหาอะไรไม่ได้เนี่ยหาไปย่างตัวเล็กๆแต่หนึ่งตัวก็จะไหวถ้าในวงพระอย่างนี้ก็เป็นสังาทาน หรือว่าภาพแห่งขาดน้ำเอาน้ำหนึ่งแก้วไปถวายท่านในองค์พระนั้นก็ถือเป็นสังฆทานอันอิสงศใหญ่แต่ในการถวายเขาทานจรงไม่มีการจํากัดเพศไม่จํากัดว่าไม่จํากัดวัตถุว่าจะต้องมีอะไรบ้างแต่ว่าเท้าที่วัดนี่จัดสังฆทานมีพระพุทธรูปหนึ่งองค์มีผ้าใยในผ้าเหลืองหนึ่งผืนมีของกินพอต้องควรมีน้ําหน่อยหนึ่งอันนี้จัดตามผีขอ ก็นักตรนแบบเป็นต้นมาปรากฏว่าเวลาจะได้กรรมฐ า, านก็มีมาขอส่วนบุญเรื่อยผีว่าขอเมื่อเขาขอส่วนบุญก็เอาที่ส่งผลให้ตามที่มีอยู่ที่ในตัวแต่ว่าผีบางคนก็จํากัดว่าในเมื่อผมได้แล้วเขาก็มีความสุขแต่ว่าต้องการให้มีความสุขมากกว่านี้ถามว่าเธอต้องการอะไร เจ้าบอกว่าหนึ่งต้องการรูะรูปหนึ่งองค์หน้าตักไม่ตม่ำกว่าสี่นิ้วการที่สองต้องการผ้ากอชิ้นหนึ่งการที่สามต้องการ อ, อารหารแห้งหรืออาหารธรรมดาก็ได้แตหน่อยหนึ่ ง, งการที่สี่ต้องการน้ําหน่อยหนึ่งท่จริลยจึงถามว่าวันผีไม่ขอแบบนี้หลายพันคนนับเป็นพันเลยนะไม่ใช่ดยอยก็ต่อมาปีหนึ่งมาอยู่ที่นี่แล้วไปฉันเพรียุทายธานี ก่อนที่จะสวดมนตน์ตอนกงนวันเนี่ยแก่อนอเพิงก็ น, นั่งอยู่คนเดียวห่างจากพระอื่นมันปเป็นเวลาเงียบหมความคนเขาคุยกับพระเราก็นั่งเงียบก็พอดีมีผีชุดหนึ่งประมาณสามสิบคนเขามาขอถามว่าเกิดเธอต้องการอะไรเธอบอกว่าต้องการสารทานธรรมที่เราเคยทำมาแล้วคือหนึ่งมีพระมีผ้ามีอาหารมีน้ำเพื่อได้ทานเรื่องอานิสงส์ ว่าผีพันคนเสร็จวันแล้วขอแบบที่้งหมดฉันยังไม่ทราบอา น, นิสงส์าอา น, นิสงส์ที่เคยจะได้มาเป็นยังไงเราไล่ฟังทีเลยไล่ฟังพระหนึ่งเทวดาก็ดีนาวฟ้าก็ดีพระก็ดีถ้ามีแสงสว่างจากกายมากเขาถือว่ามีบุญมากถ้ามีแสงสว่างจากกายน้อยก็ถือว่ามีบุญน้อยก็ไม่ถือเรื่องแต่งตัวเขาถแสงสว่างเป็นสำคัญฉะดั้นถามว่าท่านให้พระผมหนึ่งองค์ ผมก็จะเป็นเทวดาที่มีร่างกายแสงสว่างมากการให้ผ้าหนึ่งผืนได้หนึ่งผ้งาไตรผมก็จะผมก็จะมีเครื่องประดับตัวเป็นทิพเครื่รองแต่งกายเปทิพสวยสดงงามมากได้อาหารหน่อยหนึ่งไปเห็นไปเห็ไปเห็นผได้่ากายเป็ น, น, าานปทิพย์ที่ทสวยสงามได้น้ำหน่อยหนึ่งจะเบรแลได้สาวกตระมีบสวรรค์นอกจากนั้นอาศัยบุญทั้งหมดที่รวมกันจะไม่เห็นผมได้อุปนิมานเป็นที่อยู่ด้วย ไจริงตอบตกลงพ่อถ้าอย่างนั้นเที่กลับว่ราะที่ที่ทำให้นี่บรรดาญาโยพุทธโดยสัตหลายถ้าเราทําให้เขาเขาได้อย่างไรเราก็ได้อย่างนั้นทั้งนี้เพระอะไรว่าอา น, นิสงส์ที่จะพึงได้เราได้ก่อนญาบรรดาญาโยพุทธโดยสัตหลายวันนี้ก็ทําบุญหลายอย่างหนึ่งมาถึงวัดก็ถวายภายเจ้บรรดาพิจุตสงฆ์อันนี้เป็นสังฆทาน ไอ้ส in okay. hmm. ังธานเนี่ยเป็นต้นเหตุของมหาเศรษฐีคนที่เกิดเป็นมหาเศรษฐีทุกคนอ่ะเขอาศัยถวายสังฆทานที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการถวายสังฆทานครั้งหนึ่งในชีวิตแม้แต่ครั้งเดียวนั้นก็คือกับพาแท้เกิดไปกี่ชาติก็ตามทีขึ้กว่าจะถึงนิพพานขึ้นเที่ยวความยากจนเส้นใจจะไม่มีแต่พวนั้นจะมีแต่ความร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีเท่านัาน รายการนี่สองญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านตั้งใจสมาทานสิแปดไอ้สิแปดเนี่ยมันเขาห้ามสิ่งเฉยในใจงานนะแต่กินอ้าเดี๋ยวนอนได้เราไม่กินข้าวจะกินข้เดียวนะเอาถือสิแปดอสิบแปดเองักษาเฉพาะการเฉพาะเวลาโมสตสินไอ้วันวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนะ แล้วต่อไปขอทุกคนรักษาสินท้ายครบถ้วนการรักษาสิน น, นี่ันนี้สวนจะกล่าวโดยย่อเพราะเวลามีน้อยหรือเวลาหกนาทีเรีกล่าวว่าสีเลในสุขภพยันติถ้าเราเป็นคนมีศินบริสุทธดดิ์ตลอดวันตลอดคืนเราก็จะมีความสุขตั้งชาตินี้แต่ชาติหน้าชาตินี้มีความสุขกับการใช้จ่ายคนน้อยคนมีสินไม่เป็นเป็นต่างขัานเล่า คนมีสินไม่ต้องเป็นกระดังค่าท่องเที่ยวเยก็รับประหยัดทักลงไปได้มากถ้าตายจากความเป็นคนสินก็นําคนทุกคนอย่างน้อยไปสวรรค์เอาอย่างน้อยนะถ้ายัางมากก็ไปกลมแล้วอย่างมากไปสุดก็ต้องเป็นนิพพานถ้ากลับตัมาเกิดเป็นคนบ้านใส่ค น, น, น, คนเอาสินท่าของเราไปแค่เฉพราะสินผ่าถ้ากลับมาเกิดเป็นคน อาศัยสิ่งข้อที่หนึ่งจะเป็นปัจไปไปจัยเราเกิดเป็นคนลูกสวยมีโรคน้อยมีอายุยืนนานมขขีอายุไขอาศัยสิ่งข้อที่สองเกิดมาเป็นมนุษย์เราจะไม่มีอันตรายจากโจรจากไฟจากน้ําจากลมไม่โจนจะไม่กลิ้นจนจะไม่ลักไฟไม่ไม่บ้านลมไม่พัดได้บ้านทางน้ำไม่ตกิดความเสียหาย อาศัยสิ่งข้อที่สามทุกคนจะมีลูกมีหลานมีคนในปกครองว่าง่ายสอนง่ายอาศัยสิ่งข้อที่สี่ยังมีว า, า 7, จาเป็นทิพย์ใจใจง่าร้องเพลงมาเตียนจะว่าเขอชอบเป็นชาติใจใจงามไม่โกหกใครแต่ชาตินี้โกหกมากจะมีวาจาเป็นทิพย์ 4, พูดอะไรใครก็อยากฟังอาศัยสิ่งข้อที่ห้า ถ้าเรารัษาได้ จ, จะเป็นคนไม่มีโรคประสาทจะมีบัญญาดีถ้าเราละเมิดศีลถ้าเราละเมิดศีลเราก็โ ล, ลมารกขึ้นมาเป็นคนอาศัยสิ่งขอ้อที่หนึ่งเราละเมิดแล้วจะเป็นคนมีโรคมากไปอยู่สันส้นสันตายจะมีอุบัติเหตุประการที่สองจะอาศัยขาดสิ่ข้อที่สองไฟจะไม่บ้านน้ําจะท่วมบา้านลมจะพัดให้บ้ า, บานต่างมรลชนจะเข้าบา้านคนจะหายสุดโคง เอาใส่น้ำเมื่อถึงสิงข้อที่สามเราจะมีคนในปกครองว่ายากสอนยากดื้อด้านการละเมิของสิงข้อยที่สี่จะว่าพวกดีพูกจริงไม่มีใครอยากฟังไม่เคยเชื่อแต่ละเมิดสิงข้อที่ห้าอย่างเบาเป็นโรคโภชนาการบ่อยถ้าอย่างกลางเป็นโรคเสรษฐศาสตรถ้าเมาแปะถึงก็นอยกลางบ้านแล้วก็อ้ที่เป็นเป็นบ้าสั่งไปเลยนะ ดังนัรรดาญาโยมพุทธบริษัทหลายโดยทุนนายทราบว่าวันนี้ท่านสร้างความดีเป็นกรณีศึกษานั้นในการต่อไปท่านหลายทุกคนตั้งใจท่านสมาฟังเทศการฝังเทศนี่เป็นการอบรมทําให้เป็นเกิดปัญญาบารมีให้สนในการฝังธรรมนี้บรรดาญาพุทธบริษัทหลายเกิดไปชาติไหนก็ตามจะเว็นคนมีปัญญาดี ตั้งใจฟังดีมีปัญญาดีมากตั้งใจฟังฟังแล้วก็ตั้งใจน้อยปไปห น, น่อยเป็นปัญญาน้อยปัญญาไม่เท่ากันแต่ว่าในที่สุดทุกคนเราเอาศัยการให้ทานอาศัยการรักษาศีลอาศัาายการฟังเทศก็จะเป็นปัจจัยทุกคนเข้าถึงพระนิพพานอันนี้ถึงที่ว่าสิ่งนี้อันนี้สองคนเห็นใช่ว่าแต่ศีลเลยนะพูดคำว่า่าจะบอกว่าคนรักษาวศีลเื่อไปจีบข้าจะมีเท่าสมบัติมากศีลเลยนี่นี่พูดถึงยันติ ลินใบปัจจัยทุกคนเข้าถึงก็จะพัยง่ายธรรมดาเทพพุทธวิเศทั้งหลายอย่พูดไปลิ้นมันก็พันกันลิ่นยังแข็งอยู่ไม่สบายวันนี้ไม่สบายเมื่อวานนั้นไม่สบายมากมันก็ไปไม่เคยไหวเวลาก็จะหมดก็ขอสรุปว่าบนมดาเทพพุทธบริษัททุกคนที่ทําบุญวันนี้จะเรียกว่าท่านมีความดีเกินกับอินทรีย์ที่ประมุน อินทกาเทพบุตรที่บอกว่าเปอานนี้สงมากเป็นธรรดาที่มีคุภาพมากนั่นเขาไม่มีความกร lerin, ะตืูรืเรศีกับพ่อกับแม่ห realms. นึง่งเราก็มีเหมือนกันในการที่สองเขาถวายสังฆานเราก็ถวายแต่เขาถวายครั้งเดียวในชีวิตเราถวายกี่ครั้งแล้วมากกว่าเขาทรงการที่สามอินทกาเทพบุตรไม่ได้เคยรับสินอินทกาเทพบุตรไม่เคยฟังเทศธรรมใดจะจงคุ้มบริสุทธิ์คนที่น่าที่ มีบุญดีวินิจฉาบมากดังการตายของท่านครั้นี้จะหาว่าท่านไปเืียความดีกันจะเรียนภาวนาผู้โทนะผู้โทก็ได้ภาวนาว่าพระเจ้าก็ได้ภาอะไรก็ได้ให้นึถึงว่าพุทธเจ้าพระธรรมปาริยสงฆ์ไว้ตั้งใจนั่นเป็นความดีที่จะทำถ้าตายจากความเป็นคนอย่างน้อยก็ไปเกิดบนสวรรค์เช่นดาวเดือนสติวโลกจะเป็นเดวดาที่มีเงินภาพมากเป็นแสงสว่างมากอรภัณฑาทั้งุู้ดุริศว่าไปเสียงก็ไปไม่ไหวหมดเวลาพอดี เขาขอหยุดิบตธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพี่านี้ไนท่สุดแหรงปฏิเทศนาเนี่ยจะมาภาพเขอตั้งสัตยาธิฐานอ้างคุณบมคสและตงไกลมีพระพุทธระตระหนัธรรลตระหนัแล้สังกัตระหักตงสามัการจัตนบรรดาแั้งบรรดาพระพุทธบริสุทุั่ธ์มีเจ้ากล้าสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลพัฒนาสิ่งใดเขาได้สิงนั้นขงความพัฒนาอาจจะมาภาพก็กาิพัฒนามา ในก็ตันยูกาถาเขายุติปธรรมเทสนานลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีตระการชนีปวดขาเจ๊งาเอ้ยขาปวดท่านในยังสาธุการลังัาภาเมสสาทุสาทุสาทุ